บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนยะแห่งองค์ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงอุปมากายเหมือนกระจอมปลวกนั้นอันที่จริงมีข้อความซึ่งเป็นตอนต้นเป็นเรื่องของปริศนาธรรม ที่อนณาคามีพรมองค์หนึ่งได้มาถามพระกุมารกัตสปะและบอกว่าให้ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าปิศาณธรรมเหล่านี้แก้ไ่าอย่างไรเมื่อพระองค์ทรงแก้และอธิบายไว้อย่างไรก็ให้จำทรงและถือเป็นหลักในการปฏิบัติข้อความเหล่านั้นก็เรียงมาตั้งแต่ตอนต้นว่า มีพราหมณ์คนหนึ่งนำลูกศิษย์ไปเดี๋ยวชี้ให้ดูจอมปลวกบอกให้ลูกศิษย์แยกจอมปลวกซึ่งมีกลางคืนเป็นควันกลางบันเป็นไฟนั้นออกเป็นสี่ส่วนเมื่อลูกศิษย์เริ่มขุดจอมปลวกก็พบสิ่งต่างๆโดยลำดับในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงขายแสดงไปโดยลำดับเช่นกันบ้า กำจอมปลวกนั้นหมายถึงร่างกายของคนเราแต่ละคนซึ่งประกอบด้วยธาตุสีมีการหลข้าวหลายๆออกอยู่หนึ่งนิดเป็นการก่อตัวขึ้นด้วยองค์ประกอบต่างๆทั้งที่เป็นส่วนดินน้ำลมไฟกำหนดเรียกกันว่ากายว่าคนประสาทเป็นต้นส่วนพระอาจารย์นั้นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเ จ, จ้าทั้งหลาย สุมเมศมนพคือลูกศิษย์นั้นก็คือผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาที่ทันใช้คำว่าเสกขาคือผู้ที่ยังต้องศึกษายังต้องปฏิบัติเพื่อผลที่สูงขึ้นไปในทางศาสนาจนถึงกลายเป็นอาเซกขาเรือเสขาไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปได้แก่พระอระหันต์ซึ่งเป็นพระผู้สูงสุด ในพระพุทธศาสนาจอบคือสติปัญญาที่บุคคลต้องใช้ในการปฏิบัติซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเริ่มต้นในจุดใดก็ตามพระพุทธศาสนาจะเน้นในเรื่องของปัญญาเอาไว้เพราะปัญญาเป็นดุดประทีปเรื่องสองทางชีวิต ที่ช่วยบุคคลสามารถจำแนกแยกจะได้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นต้นชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาจึงถือว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดเพราะสามารถที่จะวิเคราะห์ตัดสินสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุมีผลและสมเหตุสมผลส่วนกิริยาขุดนั้นก็คือเรื่องของความเพียรพยายามโดยเฉพาะในชั้นนี้ทรงเน้นไปที่ความเพียรพยายาม ทั้งทางกายและทางจิตเพื่อปฏิบัติกิตในฐานะศาสนิกของพระศาสนาให้เต็มตามความสามารถของตนในเรื่องของความเพียรชั้นนี้ไม่ว่าจะแสดงโดยปริยาอย่างไรก็ตามเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็ลงที่สัมมาวายามะคือความพยายามชอบได้แก่ความพยายามในการสํารวมระวัง ไม่ให้บาปเกิดขึ้นภายในจิตพยายามละบาปอากุศลที่มีอยู่แล้วภายในจิตพยายามเสริมสร้างคุณธรรมความดีที่ยังไม่มีให้มีขึ้นและเพียรพยายามรักษาคุณธรรมความดีที่มีอยู่แล้วไม่ให้เสื่อมพร้อมกับการปฏิบัติที่หนุนกันไปในลักษณะนี้จนถึงหมดบาปจิตใจเต็มไปด้วยกุศล เต็มไปด้วยความดีทั้งหลายและเมื่อสุมเมธกุมารเริ่มขุดไปสิ่งที่พบในคราวแรกก็คืออวิชชาคือริมสลักกำว่าลิมสลักนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าได้แก่อวิชชาคือความรู้ไม่จริงหรือความไม่รู้ซึ่งหมายถึงความไม่รู้ตามความเป็นจริงแห่งสิ่งทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้ว สำหรับในวันนี้จะได้กล่าวในตอนต่อไปคือเมื่ออาจารย์บอกให้สุมเมตกุมารทำลายลิมสลักคือถอนลิมสลักออกไปแล้วท่านก็พูดต่อไปแล้วก็บอกว่าพบอึงอาจารย์ก็บอกว่าให้ยกอึงนั้นออกเสียก้อนี้ทรงแสดงว่าคำว่าอึงนั้นก็คือคือโกทุ ป, ปาญาต เรีย ว, ว่าความความคับแคลนความอึดอัดด้วยอํานาจของความโกรธที่บังเกิดขึ้นทําไมจึงทรงอุปมาอึงเหมือนกับความโกรธตั้งนี้ก็เพราะว่าลักษณะความโกรธเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วจะทําให้เกิดอาการพองขึ้นของจิตสร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านร่างกายและจิตใจตลอดถึงพฤติกรรมโดยลําดับจนถึงจุดหนึ่ง ก็ไม่อาจาตั้งตัวอยู่ได้มีลักษณะเหมือนการพองขึ้นของอึงอย่างนิทานที่เคยทราบกันแร่หลายว่าในขณะที่แม่อึงไม่อยู่นั้นโคได้เดินเข้าไปเหยียบลูกตายเป็นนั้นมากแม่อึงกลับมาถามลูกก็บอกว่ามีสัตว์ตัวหนึ่งใหญ่โตมากแล้วมาเหยียบลงในที่นี้ทําให้พี่น้องตายเป็นนั้นมากอึงก็ถามว่าตัวมันโตขนาดไหน เล้พร้อมกับแบ่งตัวให้ดูขนาดนี้ได้ไหมลูกก็บอกว่าเล็กไปแม่อึงก็บึงแบ่งตัวไปเรื่อยจนถึงจุดหนึ่งก็ระเบิดตายลักษณะของความโกรธที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นนั้นข้อนี้พระอาจกราถาาจารย์แสดงไว้เฉพาะในพระสูตรนี้ว่าเมื่อความโกรธบังเกิดขึ้นแล้วย่อมสร้างการพองขึ้นภายในจิต เกิดจิตมีความเร่าร้อนสูงขึ้นถ้าหยุดไม่ได้ในตอนนั้นก็จะมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในด้านร่างกายเช่นเลือดฉีดแรงเป็นต้นถ้ายังหยุดไม่ได้ในตอนนั้นก็จะออกม า, า, ม า, มาทางสีห น, น้าทั้งแววตาถ้ายังหยุดไม่ได้ในตอนนั้นก็จะออกมาความวิปริตในด้านมือด้านเท้าด้านอวัยวะส่วนอื่นถ้ายังหยุดไม่ได้ในตอนนั้น ก็จะต้องไปจีบฉวยอาวุธยิบฉวยสัตว์ตราหรือลงไม้ลงมือกันถ้ายังหยุดไม่ได้ตอนนั้นก็จะมีการประหัดประหารการต่อสู้กันถ้ายังหยุดไม่ได้ในตอนนั้นก็หมายถึงความล้มหายตายจากไปรีกประการหนึ่งลักษณะของการพองขึ้นของอึ่ง น, นั้นที่เปรียบด้วยอาการพองขึ้นของความโกรธจะเห็นได้ว่าตัวอึ่งเวลาพองขึ้นเต็มที่ จะยืนทรงตัวอยู่ไม่ได้แล้วก็จะกริ่งอยู่อย่างนั้นเองคนเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อความโกรธบังเกิดขึ้นครอบงำใจไปถึงจุดหนึ่งจะเสียหลักจะไม่มีเหตุมีผลไม่มีสติยับยั้งชั่งใจไม่มีความคิดถึงผลได้ผลเสียเพราะเกิดความมืดบอดขึ้นภายในจิตจนเสียหลักเสียคุณธรรมบางครั้งบางคราวก็สร้างสมอบรมความดีมาเป็นเวลานาน แต่โดนกระแทกกระทันจากอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความโกรธขึ้นมาก็ทำให้บุคคลร่องเสียหลักขาดเทศขาดผลในการพูดในการกระทำารึแม้ในการแสดงออกซึ่งบางครั้งอาจถึงจุดที่เรียกว่าท้องระเบิดดังตัวอึ่งในนิทานที่ล่ามาแล้วและนั้นโกทุ ป, ปายาตหรือความโกรธความครับแค้นที่เกิดขึ้นด้วยอานาจของความโกรธ ที่บุคคลเก็บกฎเอาไว้ไม่สามารถบรรเทาให้สงบลงได้จึงมีลักษณะเหมือนกระอึง่งอาจารย์ก็บอกให้ลุกศิตย์ยกอยึ่งนั้นออกเสียได้แก่สอนให้ละความโกรธซึ่งในชั้นการปฏิบัติทั่วไปเปิ่งเห็นว่าก็ไม่ถึงกัะละทีเดียวเพราะจะละกันทีเดียวก็ละได้ยากแม้แต่พระโสดาบันยังละความโกรธเด็ดขาดไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงมักสอนในรูปของการบรรเทาการระงับการหยุดความคิดคือไม่ตรึกนึกถึงเรื่องที่เป็นเหตุให้เกิดความโกรธสืบต่อไปเป็นการบรรเทาความรุนแรงเปรียบเหมือนไฟที่ลุกไหม้ขึ้นถ้าคนไม่ใส่เชื้อเพิ่มขึ้นเวลาหมดเชื้อก่าวไฟก็ต้องดับความโกรธที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ถ้าหากไม่บุคคลบุคคลไม่ตรึกตามหรือไม่เหนียวนึกเอาเรื่องนั้นมาเพิ่มเชื้อของความโกรธโอกาสหนึ่งความโกรธก็จะสงบระงับลงแต่ว่าในชั้นของความสุขที่แท้จริงนั้นทรงแสดงว่าบุคคลฆ่าความโกรธเสียได้จะไม่เศร้าสุขฆ่าความโกรธเสียได้จะอยู่เป็นสุขพระรีเจ้าทั้งหลายนั้นสันเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษ แต่มียอดหวานก็นี่เป็นการแสดงโดยอุปมาเห็นว่าบางครั้งบางคราวคนเราทำอะไรไปตามความโกรธรุนแรงที่บังเกิดขึ้นกร็รู้สึกว่าสะใจสมใจสบายใจที่ได้แสดงออกเช่นนั้นแต่หลังจากสติสัมปชัญญะคืนมาแล้วพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาของตัวเองก็เปรียบเหมือนกับกินอ้อยหวานๆอยู่ที่ข้างปลาย และไปเจอพิษอยู่ที่ตอนโคนก็จะถูกพิษที่มีอยู่ในอ้อยอซึ่งเคยหวานอยูยนั่นเองทำลายให้ถึงอันตรายแก่ชีวิตได้พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าความโกรธนั้นมียอดเป็นพิษมีรากเป็นพิษแต่มียอดหวานซึ่งบุคคลผู้ไหลไปตามอำนาจของความโกรธจึงมักจะเดือดร้อนในการภายหลังเสมอไปดังนั้นจึงทรงสอนให บรรเทาระ ง, งับยับยั้งจนถึงกะฆ่าทำลายไปการจะทำลายความโกรธบางคราวก็ทรงแสดงในรูปของอินเซียสังวรคือไม่ให้ใส่ใจเรื่องที่เป็นเหตุก่อให้เกิดความโกรธถ้าความโกรธเกิดขึ้นก็มีสติรู้ทันให้หยุดจะได้ในตอนใดตอนหนึ่งพระถ้าากว่าหยุดจะได้ในตอนต้นๆ ความรุนแรงความเดือดร้อนทั้งหลายก็จะน้อยลงแต่ถ้าหากว่าทําไม่ได้ในขณะนั้นก็อย่าให้ถึงก็เป็นพยาบาทคือถือว่าเรื่องแล้วก็แล้วกันไปเพราะในชั้นของกุศลกรรมบทจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนถึงชั้นละความโกรธได้เด็ดขาดเ ป, เป็นแต่บรรเทาระงับยับยั้งดังกล่าวแล้ว ถ้าหากว่าแก้ไขไม่ได้ก็ยาพยาบาทคื อ, อยาพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นนี้เป็นชั้นของกุศลกรรมบุตรแต่ว่าชั้นการปฏิบัติของสมาธินั้นแน่นอนเลยเกินจะต้องสงบระงับด้วยกําลังของสมาธิบ้างหรือกําลังของสติบ้างจนถึงตัดได้เด็ดขาดด้วยการปฏิบัติให้สมบูรณ์ในองค์อริยมรรคซึ่งก็เป็นบันไดธรรมะที่จะนําผู้ปฏิบัติให้สัมผัสผลเหล่านี้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ความโกรธ จ, จรึงเป็นเรื่องที่จะต้องยกออกจะต้องสลัดทิ้งจะต้องทําลายโดยส่วนเดียวสุมเมธมานุก็ขุดต่อไปแล้วบอกอาจารย์ว่าได้พบทางสองแพร่งอาจารย์ก็บอกว่าให้กลนทางสองแพร่งนั้นคือทําลายทางสองแพร่งนั้นเสียทางสองแพร่งนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทางสองแพร่ง คือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเครือบแคลงไม่แน่ใจในเรื่องอะไรก็ตามคราวนี้พึ่งดูตัวอย่างว่าเมื่อบุคคลเดินทางไปเจอทางสองแร่งข้าวาสตร์ใดที่ยังวินิจฉัยไม่ได้ว่าอะไรเป็นทางถูกอะไรเป็นทางผิดคนก็ต้องหยุดอยู่ในตรงนั้นไม่อาจที่จะเดินต่อไปได้จันใดก็ดีการศึกษาการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนา ถ้ายัางมีความลังเลสงสยัยความเครือบแคลงความไม่แน่ใจในเรื่อง8ประการด้วยกันคือเรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรื่องของศีลสมาธิปัญญาเรื่องของอดีตเรื่องของอนาคตและทั้งอดีตทั้งอนาคตกับเรื่องของปฏิจจสมุปบาทในการประพฤติ ป, ปฏิบัติของบุคคลจะยุดยุด คือจะยิ่งจะหย่อนอย่ดเรื่อยไปบางครั้งการทำไว้ในใจโดยอุบานแยบคายมีเหตุมีผลเกิดขึ้นมากสามารถขจัดบรรเทาวิจิกิจาลงไปได้การศึกษาการปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นก็ก้าวหน้าแต่บางครั้งขาดโในิโสมนสิการในบางเรื่องความลังเลสงสัยเกิดขึ้นท่วมทับใจบ้าง การปฏิบัติของบุคคลก็ย่อหย่อนไปยกตัวอย่างความสงสัยในตรายสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะในชั้นของสมาธินั้นมีปัญหาในการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติอยู่เสมอเช่นในบางกรณีก็เล็งผลเลิอดจนเกินไปนั่งสมาธิสองสามครั้งมีความสงสัยว่าไม่เห็นเห็นอะไร ไม่เห็นส ง, งบหรือไม่เห็นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นแล้วในที่สุดก็ท้อถอยไม่ยอมประพฤษษษษติปฏิบัติตนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าภายในจิตใ จ, จนั้นประกอบด้วยกาบฉันคือความคขวยคว้าปรารถนาอารมณ์ต่างมีความหลงผิดมีความเข้าใจผิดในผลของสมาธิว่าถ้านั่งสมาธิแล้วต้องเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งไม่ใช่เป้าหมาย ในการปฏิบัติสมาธิสมาธิเป็นเรื่องของความสงบกิเลสสงบนิวรณ์ที่เกิดขึ้นกลุ่มรุ ม, รมจิตใจลีประการหนึ่งไม่ได้ใช้เหตุผลในการพินิษพิจารณาว่าเหตุที่ตนประกอบกระทําลงไปนั้นมีสัดส่วนมากพอที่จะให้เกิดความสงบหรือไม่โดยไม่ได้นําไปเทียบเคียงพินิษพิจารณาว่าการเวลาที่ผ่านมาจนถึงเริ่มปฏิบัติสมาธินั้น เป็นเวลาที่ถูกปล่อยไปตามอารมณ์ต่างๆไม่ค่อยได้มีการควบคุมจิตใจกันอย่างจริงจริงๆลักษณะเหมือนกับน้ำที่ไหลเข้ามาภายในสระน้ำมีความขุ่น้นมากขก้นวันดีคืนดีบุคคลไปตักน้าไปสามสามสี่กระป๋องไปเทใส่ลงไปน้าสะอาดสามสี่กระป๋องไปเทใส่ลงไปก็มีความรู้สึกมันควรจะสลายความขุ่นข้นได้ แต่ว่าโดยสัดส่วนแล้วเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าบุคคลเข้าใจเหตุผลก็คือต้องตักต้องกระทำต้องสูบน้าใสเข้าไปบ่อยๆปริมาณน้ำใสสูงขึ้นมากเท่าไหร่ความขุ่น้นก็จะเจือจางลงไปมากเท่านั้นดังนั้นการทาความสงบจึงต้องมีการกระทำที่สืบต่อกันไปบ่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าอบรมกระทำให้มาก เมื่อมีการกระทำบ่อยๆปริมาณของความสงบที่เพิ่มขึ้นนั้นจะทำหน้าที่กระจัดความฟุง้งซ่านความซัดสายไปแห่งจิตโดยลําดับเช่นเดียวกันเรลยมาถึงจุดหนึ่งผลจากความพยายามก็จะปรากฏบุคคลก็จะเห็นความสงบภายในจิตแต่จะต้องไม่มีลักษณะปล่อยควาปรารถนาเร่งรัดเพื่อให้เกิดผลดังที่ตนต้องการเพราะไรเพราะขณะที่ใจมีความรู้สึกอย่างนั้นก็คือตัวนิวรณ์ที่เรียกว่าการมาชันนั่นเอง สมาธิเป็นการสงบนิวรณแต่ว่าใจเต็มไปด้วยนิวอนแล้วในขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้เกิดสมาธิเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าบรรดากุศลกับอัุศุนั้นเป็นเรื่องตรงกันข้ามตลอดไปโอกาสที่จะบรรจบกันมีไม่ได้เหมือนท้องฟ้ากับแผ่นดินเหมือนขวังซ้ายกับขวังขวาของแม่น้าหรือว่าเหมือนหัวก็กลอยคือจะปรากฏในขณะเดียวกันไม่ได้ถ้าหัวก็กลอย ถ, ถ้ากลอย ถ้าหัวก็ไม่ก้อยถ้าก้อยก็ไม่หัวเป็นต้นหรือบางครั้งบางคราวไปเห็นผู้ปฏิบัติบางคนซึ่งหลงผิดปฏิบัติผิดไปติดในเรื่องต่างๆหรือหลงในเรื่องต่างๆมีอาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ค่อยน่ายินดีมากนะักก็เกิดไม่แน่ใจเกิดสงสัยขึ้นมาว่าถ้าเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็คงจะเป็นอย่างนี้บ้างก็เลยก็เกิดข้อถอยโดยไม่ได้นึกถึงผลที่แท้จริงว่า สมาธิที่บุคคลปฏิบัติมานั้นมีผลเป็นความส ง, งบนิวรณ์ดังกล่าวและมีการปฏิบัติที่สืบต่อกันมาเวลาเป็นพันพันปีคนไม่รู้สักกี่ร้อยล้านกี่พันล้านแล้วปฏิบัติเรื่องเหล่านี้มาแล้วก็ยืนยันผลสัมผัสผลกันได้จนมีการถ่ายทอดการศึกษาการปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่กลับมองในแง่เดียวในที่สุดความลังเลสงสัยก็เกิดขึ้นเพราะหลักการในเรื่องนี้จะเห็นได้ว่า เวลาเรียงเรื่องของความสงสัยไว้ท่านจึงเรียงพุทเทกังคติคือความเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าไว้ในตอนต้นเพราะฉะนั้นการจะกลนทางสองแพรง่งหรือทำลายทางสองแพร่งนั้นจะต้องเริ่มที่การขจัดความเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าออกให้ได้ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อบุคลคลขจัดความเครือบแคลแงสงสัยในพระพุทธเจ้าได้ ความสงสัยอีกเจอย่างข้างหลังนั้นไม่มีความหมายอะไรเลยก็ชื่อว่าได้คระจัดให้ออกปล่อยได้โดยลําดับเช่นเดียวกันท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าพระธรรมก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราไม่สงสัยในการศัสรูของพระองค์ก็ต้องไม่สงสัยในพระธรรมพระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามพระธรรมอันเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าก็ไม่สงสัยในพระสงฆ์ไตยศีขาก็คือองค์คําสอน ของพระพุทธเจ้าพอกรจัดความสงสัยในพระพุทธเจ้าได้ก็ไม่สงสัยในตรายสิกาซึ่งเป็นคำสอนของพระองค์เรื่องอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและกฎปฏิจจสมุปบาทนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสัจสรู้และนำมาปเปิดเผยชี้แจงแสดงแน่นอนเป็นความรู้ในชั้นของญาณคือเมื่อพระองค์ได้บรรลุภยานต่างๆจึงรู้เห็นสิ่งเหล่านั้น โดยเฉพาะกฎปฏิจจสมุปบาทแม้จัดสรุแล้วก็ทรงพิจารณาทบทวนอยู่ถึงเจ็ดวันด้วยกันแต่หากว่าบุคคลเชื่อในการจัดสรุของพระพุทธเจา้าและมองดูว่าพระองค์ทรงรู้เรื่องนี้ในช่วงไหนในขณะไหนเวลานี้เราเดินไปถึงช่วงนั้นในขณะนั้นแล้วหรือยังถ้ายัางไม่ถึงก็ยกประโยชน์ทั้งหมดว่าข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้จัดสร้และทรงแสดงเอาไว้ เรียบเหมือนบุคคลคนหนึ่งขึ้นไปอยู่บนที่สูงมองเห็นทิวทัศน์ต่างๆรอบด้านแล้วลงมาบอกคนที่ยืนอยู่บนถนนว่าเขาขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นเห็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นมีรูปรักลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นคนที่ยืนอยู่บนถนนจะทําได้เพียงสองอย่างเท่านั้นคือเชื่อตามที่เขาบอกหรือขึ้นไปยืนในจุดที่เขาบอกเขาเห็น ถ้าขึ้นไปยืนในจุดที่เขาบอกว่าเขาเห็นแล้วไม่เห็นก็ค่อยว่ากันหรือทําไม่อย่างนั้นก็เชื่อตามที่เขาบอกแต่ถ้าปฏิบัติอย่างอื่นเช่นคัดค้านทั้งทั้งที่ตนยืนอยู่บนถนนปฏิเสธว่าไม่จริงเป็นไปไม่ได้เป็นต้นไปถือว่าเป็นการกระทําของคนที่ขาดเหตุผลขาดปัญญาเป็นหลักในการพินิพิจนาเพราะอะไรเพราะว่าจุดที่เขาเห็นนั้นสัมพันธ์กับจุดที่เขายืนเขาบอกว่ายืนตรงนั้นแล้วก็เห็นอย่างนั้นเห็นสิ่งนั้น เรื่องของอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคต แ, แม้แต่กฎปฏิจจสมุปบาทก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเมื่อปฏิบัติบรรลุพระญาณในแต่ละข้อในแต่ละขั้นทรงรู้เรื่องอดีตอนาคตได้ด้วยอาตีตังสยานและอนาคตังสยานทรงรู้กฎปฏิจจสมุปบาทได้ด้วยอาสวัขยานเพราะฉะนั้นเมื่อเรายังไม่ถึงญาณเหล่านั้น แพระพุทธเจ้าท่านถึงท่านรู้ท่นเห็นพระองค์จึงเปรียบเหมือนคนที่ยืนบนที่สูงดังกล่าบุคคลก็มอบหมายถวายความเชื่อแด่พระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะกลดคือบรรเทาความสงสัยในเรื่องทั้ง8ประการลงไปได้แต่ว่าจับใดที่ยังมีความเครือบแพลงความสงสัยอยู่ก็ชื่อว่าไปยืนอยู่ในมุมของทางสองแพร่งตลอด โอกาสที่จะเดินก้าวหน้าต่อไปนั้นทําให้ได้พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงอุปมาทางสองแพร่งไว้โดยเป็นอันมากอุปมาวิจิกิจชาไว้เป็นอันมากเช่นว่าเป็นทางสองแพร่งบ้างเป็นทางสือโคร่งคือมีเสือโคร่งรออยู่ข้างหน้าบ้างเป็นทางวิบากบ้างเป็นการเดินไปในถิ่นที่ธุระกันดานแห้งแล้งเต็มไปด้วยขวากน้ําลุ่มบ่อสารพัด ซึ่งข้อนี้เป็นเรื่องที่เห็นได้ง่ายคิดได้ง่ายเช่นว่าบุคคลเดินไปต้องการจะเหยียดเท้าจะเหยียบลงไปในที่ใดที่หนึ่งไม่แน่ใจจะเหยียบตรงไหนดีลว ล, ลาลังไปลว ล, ล, ลาลังมาก็อาจจะเกิดหกล้มอยู่ในตรงนั้นได้หรืออาจจะเหยียบผิดตกลงไปในหลุมในบอ่อในขวากในน้ําก็ได้ความมั่นคงภายในจิตใจโดยอาศัยยึดหลักเชื่อในการศัสรู้ของพระพุทธเจ้า และการใช้หลักของโยนิโสมนสิการคือการทำไว้ในใจโดยเหตุโดยผลอโดยบรรยายวิเทียนแยข่ายยุติด้วยหลักด้วยเหตุด้วยผลเป็นเรื่องที่สามารถจะกลดสามารถจะทำลายทางสองแพร่งคือวิจิกิจฉาอย่างน้อยก็ให้บรรเทาประบางลงไปได้แต่ในชั้นทั่วไปหลักสำคัญที่สุดที่จะต้องยึดมั่นเอาไว้ ก็คือต้องเชื่อการจัดสรุปของพระพุทธเจ้าเป็นพื้นฐานไว้และอย่างอื่นจะบรรเทาบาบางลงไปเองโดยลาดับดังนั้นบุคคลแม้จะก้าวไปจนถึงชั้นของพระโสดาบันที่เราเรียกว่าโสตาปัฏิยังคคือคุณสมบัติของบุคคลที่จะทำให้เป็นระโสดาบันนั้นก็คือไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิขา ซึ่งก็หมายความว่าขาจัดวิจิกิจฉาได้นั่นเองหรืออย่างน้อยในขณะนั้นท่านก็บรรเทาวิจิกิจฉาลงไปได้มากพอเกิดโซดาปฏิมาขึ้นมาก็ทำลายวิจิกิจฉาได้สิ้นเชิงท่านก็เป็นผู้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวที่เราเรียกพระโซดาบันว่าเป็นผู้ถึงกระแสของพระนิพพาน คือจะไม่มีการหวนกลับมาสู่อำนาจของกิเลสที่ท่านละได้แล้วอีกต่อไปกิเลสที่ละได้แล้วจะไม่กำเริบจะไม่เกิดขึ้นครอบงำจิตท่านได้อีกและในสิ่งที่ท่านละได้นั้นก็มีวิจิกิชาเป็นตัวหลักสําคัญประการหนึ่งในสังโยชน์ทั้งสาประการที่ท่านละได้วิจิกิชาจึงเป็นข้อปฏิบัติที่บุคคลจะต้องอาศัยโยนิโสมนสิการเป็นตัว ขจัดเป็นตัวบันเทาวิจิกิจชาเหล่านั้นและยึดมั่นในการศัสรูของพระพุทธเจ้าเป็นพื้นฐานใจอาศัยการปฏิบัติตามหลักสมาธิจนเกิดองฌานคือวิจาร์ขึ้นก็สามารถระ ง, งับวิจิกิจชาลงไปได้แต่การจะ ก, กลวิจิกิจชาได้เด็ดขาดนั้นก็ต้องอาศัยโสดาปฏิบัตินั่นก็คือการปฏิบัติให้สมบูรณ์ในศีลสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณ ยังสามารถครจัดวิจิกิจารเหล่านั้นได้อย่างแท้จริงต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป